ส่งท่านพระครูแล้วพันโทวิทย์ก็กลับไปทำงานเพราะลามาครึ่งวันที่กุตินายุณทองกำลังนั่งคุยประจวอประแจ อ, อยู่กับชายหญิงคู่หนึ่งครั้นเห็นหน้าชัดเจนจึงได้รู้ว่าคนคู่นั้นคือหลานชายและหลานสะพยของท่านนั่นเองคนทั้งสองก้มลงกราบสามครั้งแล้วนายจอยก็เอ่ยทักขึ้นว่า หลุงนาสบายดีหรือครับเห็นเจ้าคุณทองมันว่าหลุงนาตกกระไดาขาหักจริงหรือเปล่าครับเอ็งว่าจริงหรือเปล่าเล่าท่านย้อนถามหลานชายไม่รู้สิครับก็เห็นลงนาเดินปกติดีอยู่แต่ก็ปวดนะครับหลวงพ่อท่านบอกผมว่าปวดเกือบตลอดเวลาแต่ที่พี่เห็นว่าปกติเพราะท่านใช้คาถาพระโมคคลาประสานกระดูก นายสมชายบอกกล่าวหลังจากที่ได้ทักทายคนทั้งสองด้วยการไหว้แล้วอ๋ออย่างนั้นหรอกหรือแล้วหลวงน้าไม่ไปหาหมอหรือครับผู้พันจะพาไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมท่านบอกว่าต้องการจะชดใช้กรรมอีกเดือนเดียวก็จะหายเป็นปกติสิทธวัดตอบอีกนายจ่อยรู้สึกไม่พอใจที่นายสมชายตอบคาถามแทนท่านพระครู เขาอุตส่าห์ลงท้ายด้วยครับก็เพราะต้องการจะให้ท่านตอบคุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกเดือนเดียวจะหายคราวนี้เขาถามชายหนุ่มและไม่มีครับหลวงพ่อท่านบอกคนตอบไม่ยอมลงครับเช่นกันอ้าวโยมเข้าไปไหนเส้นละ่ะท่านเจ้าของกุฏิถามหาอาจารย์ชิดเมื่อไม่เห็นเขาอยู่ณที่นั้น ไปเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์เหรเขากระซิบบอกหนูว่ารู้สึกเกรงใจจมูกของพี่จอยกับพี่จุกนายขุนทองเป็นคนตอบแล้วเองจัดการให้เขากินข้าวกินปลาหรื อ, อยังเรียบร้อยแล้วเหรอพอเข้าอิ่มพี่จุกกับพี่จอยก็มาถึงเขาก็ไปหน้าโบสถ์ลมอะไรหอบเองสองคนมาละ่ะแล้วนี่กินข้าวกินปลาแล้วหรื อ, อยัง ท่านถามสองสามีพัญญายังเลยจาหลวงนาะฉันก็รู้สึกหิวอยู่เหมือนกันพี่จอยเราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมนางจุกชวนสามีท่านพระครูจึงว่าพากันไปกินให้อิ่มท้องเสียก่อนเรื่องอื่นไว้ค่อยคุยกันทีหลังจะค้างไมหมเล่าคงไม่ค้างหรอกครับหลวงนาะ ผมจะเอารถมาให้หลวงนะช่วยเจิมผมออกรถใหม่แล้วครับคนเป็นหลานชายบอกอย่างภาคภูมิใจอย่างนั้นหรือไปรวยอะไรมาล่ะผมไม่ได้รวยหรอกครับเงินจุกเขาเอ็งถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไงจุกท่านสพยอคนเป็นหลานสะพยหากหล่อนกลับยอมรับหน้าตาเฉยว่าจาหลวงนะ เรื่องมันประหลาดมากเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วฉันจะเล่าให้หลวงนาฟังไปกันเถอะพี่จอยคนทั้งสองลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงถามนายขุนทองว่าแล้วเองละ่ะกินแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วหอหลวงลุงตอนหนูไปเอามาให้อาจารย์เขาหนูก็อัดใส่ท้องตัวเองให้เต็มเสกกอดหลานชายตอบการกินกันอยู่ใครไม่สู้พ่อ นายสมชายเประยะขึ้นการพลยกันโถเพิ่มไปสู้เคยนายขุนทองต่อให้แล้วอถาธิบายว่าเพิ่มในที่นี้หมายถึงพี่นะเพราะพี่เป็นผู้ชายถ้าพี่จะว่าหนูต้องใช้คําว่าแม่ถึงจะถูกขนาดนั้นเถียวนายสมชายเยา้าใช่สิว่าแต่พี่ไม่หิวหรอน่าจะไปกินพร้อมพี่จอยกับพี่จุกเขา ข้ายังอิ่มแปกอยู่เลยอาหารบ้านงานเขาอร่อยๆอออทั้งนั้นแล้วข้าก็หิวด้วยเลยว่าสะท้องกลางไปเลยเอาละ่ะเป็นอันว่าเองสองคนอิ่มมีพีมันกันดีแล้วทีนี้ก็ฟังค่ะตั้งใจฟังให้ดีนะครับฮ่อคนทั้งสองรับปากท่านพระครูจึงว่าเอาละ่ะประเดี๋ยวข้าจะขึ้นข้างบน ถ้าสองคนนั่นมาก็ให้ขึ้นไปคุยกับข้าข้างบนแล้วขุนทองเองไปตามโยมเข้ามาปฏิบัติข้างในนี้ส่วนสมชายเธอจัดการทำความสะอาดกุฏิชั้นบนให้เรียบร้อยจัดข้าวของเส้นใหม่ฉันคงจะอยู่แต่ข้างบนจนกว่าขาจะหายเป็นปกติจะไม่ลงมาข้างล่างยกเว้นเวลาถ่ายหนักถ่ายเบา แล้วเวลาสงน้ำล่ะครับฉันก็จะงดจะใช้เช็ดตัวแทนหรือไม่ก็สงตอนลงมาถ่ายเงินก็เป็นแย่สิฮอลงลงุงไม่อาบน้ำตั้งเดือนอยู่ได้ไงก็ทนทนอยู่มันไปงั้นแหละทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อเกิดมาแล้วหรือเองจะให้ข้าทำยังไงก็ลองว่ามา แม้จะปวดขาหากก็ยังมีแก่ใจยั่วยั้วนึกก็ว่าทนอยู่ไปนั่นแหละดีแล้วดีกว่าฆ่าตดตายจริงไหมพี่คนมากวัยกว่าจึงย้อนว่านี่ถ้าเป็นเองคงฆ่าใช่ไหมใช่ไหมเรื่องอะไรกว่าจะได้เกิดเป็นคนนั้นยากแสนยากจริงไมหมฮอหลุงลุงท่านพระครูจึงตัดสินอย่างรำคาญ ร, รำคาญว่าเอาเถอะเอาเถอะ เลิกต่อล้อต่อเทียงกันได้แล้วฟังข้าพูดคนเดียวก็พอเองสองคนไม่ต้องพูดห้ามพูดห้ามเทียงแล้วหลวงพ่อจะออกบิณฑบาตไหมครับ mm. เมื่อท่านไม่ให้เทียงนายสมชายจึงเปลี่ยนเป็นถามนี่สมชายถ้ามีเวลาก็ลองไปวัดไอคิวดูเส บ, บ้างรู้สึกว่ามันจะต่าเกินพิกัดไปแล้วนะ ครับถ้าผมมีเวลาจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำครับสิทธวัดตอบหน้าตาเฉยท่านพระครูไม่รู้ว่าจะยอกย้อนประการใดจึงนิ่งเสียหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามของผมเลยครับชายหนุ่มทวงเอาละ่ะเมื่ออยากรู้ฉันก็จะตอบแต่ถ้าคนไอคิวสูงหน่อยเขาจะรู้เองแล้วก็จะไม่ถามอย่างที่เธอถามมานี่หรอก ท่านถือโอกาสเนบแนมก่อนตอบว่าฉันจะไม่ออกบินทบาทเพราะแม้จะลงไปส่งน้ำฉันยังไม่ลงแล้วทำไมจะต้องไปเดินเป็นกิโลกิโลการทำเช่นนั้นเป็นการทรมานตัวเองเกินไปเข้าขายอัตตะกิละมะถานุโยที่พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่าเป็นทางปฏิบัติที่สุด ฉันเป็นสิทธิพระตถาคตจึงต้องดำเนินรอยตามพระพุทธองค์เข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วครับเป็นอันว่าผมจะไปนําอาหารจากโรงครัวมาถวายหลวงพ่อทุกเช้าส่วนเรื่องหนักเรื่องเบาผมว่าหลวงพ่อไม่ต้องลงมาก็ได้ผมจะเป็นคนเทกระถนเองนะครับขอบใจเธอมากแต่ฉันคงจะไม่รบกวนเธอถึงขนาดนั้น เท่าที่มาคอยปรนิบัติรับใช้ก็ขอบใจเลือกเกินแล้วไม่เป็นไรครับถึงคราวผมบ้างหลวงพ่อจะได้ช่วยหลวงพ่ออย่าลืมสัญญาณนะครับปีหน้าฟ้าใหม่หลวงพ่อบอกว่าผมจะได้แต่งงานคำบอกกล่าวนั้นกินความไปถึงค่าสินสอดทองมั่นที่ท่านพระครูจะช่วยอนุเคราะห์ผมเห็นพี่จุกเขาถือถุงหิ้วสีน้าตาลมาด้วย สงสัยจะนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อยังไงก็อย่าลืมผมนะครับเข้าเกรนหนูด้วยหอหลงลงุงและหนูก็เป็นญาติกับพี่จอยเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะได้น้อยกว่าพี่สมชายเขาคนทั้งสองต่างตั้งความหวังเองจะเอาเงินไปทำอะไรท่านถามหลานชายดัดผมแล้วก็ซื้อเสื้อกระโปรงรองเท้าส้นสูง นายขุนทองตอบด้วยไฟฝันอยากได้มานานน้อยน้อยหน่อ ย, อยถ้าเองจะออกไปซื้อสิ่งเหล่านี้ข้าไม่ให้เองหรอกที่ให้มาอยู่ด้วยก็เพื่อจะให้เองเป็นผู้ชายเต็มตัวท่านพระครูว่าแต่หนูอยากจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวมากกว่าหลานชายทำกระเงากระงอดเจ้าขุนทอง ท่านพระครูเรียกชื่อหลานชายด้วยเสียงหนักๆขข<อ>หลานชายตัวดีขานรับเสียงใสนี่ข้าขอร้องเธอนะข้ากำลังปวดขาอย่าให้ต้องมาปวดหัวอีกเลยเธออีกคนท่านหันไปเล่นงานนายสมชายร่วมมือกันทำให้ฉันปวดหัวดีนักจะไปไหนก็ไปเธอไป ฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกเธอก็หลวงพ่อให้ผมทำความสะอาดกุฏิชั้นบนแล้วผมจะไปไหนได้ล่ะครับนายสมชายยังคงยั่วหนูก็เหมือนกันหลุงลุงให้คอยดูว่าถ้าพี่สองคนเข้ามาให้เขาขึ้นไปหาหลุงลุงข้างบนแล้วก็ให้ไปตามอาจารย์เข้ามาปฏิบัติข้างไหนนี้แล้วหนูจะไปไหนได้ละ่ะฮอประโยคท้ายเขาเรียนแบบนายสมชาย งั้นก็ทำหน้าที่กันไปหยุดพูดเส็จทีข้าชักจะเวียนหัวเต็มแก่แล้วข้าจะขึ้นข้างบนละท่านค่อยคอยลุกจากอาสนะรู้สึกปวดที่ขาข้างขวาเป็นกำลังนายสมชายกับนายขุนทองจะช่วยพยุงท่านก็ว่าไม่ต้องข้าไปเองได้แล้วเดินขึ้นชั้นบนอย่างเชื่องช้าในใจนั้นกำหนด ปวดหนอปวดหนอเกือบตลอดเวลาเรื่องที่ท่านพระครูตกบันไดาขาหักแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วโดยนายขุนทองเป็นผู้กระจายข่าวพระสงฆ์อง์เณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงต่างพากันห่วงใยท่านครั้นทราบจากคนกระจายข่าวว่าท่านยังคงปฏิบัติกิจนิมนต์ได้พวกเขาก็โล่งใจ และคอยหาโอกาสมากราบเยี่ยมเมื่อเห็นท่านกลับมาจึงพากันมาที่กุฏิด้วยความเป็นห่วงคนกระจายข่าวจึงต้องขึ้นไปรายงานให้ท่านทราบลงไปบอกเขาว่าข้าขอบใจที่เป็นห่วงข้าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงไปให้พบครั้นจะให้มาพบข้างบนก็ไม่มีที่จะให้นั่ง ขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองไปใครมีปัญหาอะไรก็ให้ไปปรึกษาพระมหาบุญหรือพระบวเหว่ก็ได้ท่านเจ้าของกุฏิสั่งการแล้วถ้าหลวงพี่สององค์นี้ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ละฮอก็ให้เขารอถามค่ะถ้าไม่ด่วนมากก็บอกเขาว่าให้ข่าหายเสียก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วน ข้าก็อนุญาตให้เขาขึ้นมาพบเป็นกรณีพิเศษเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วหองั้นก็ลงไปบอกเขาได้แล้วหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดจึงลงมาแจ้งแก่ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งรออยู่เต็มกุฏิชั้นล่างคนทั้งหมดรับทราบแล้วพากันกลับยกเว้นพระบวเหียวซึ่งลุกขึ้นไปจดจ้อ ง, อ, ง, อ, งอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎก ครั้นเห็นคนอื่นๆไปกันหมดแล้วจึงบอกนายขุนทองว่าอัตมามีเรื่องด่วนถวยไปบอกลวงพ่อว่าอัตมาขอเข้าพบเป็นกรณีพิเศษนายขุนทองจึงต้องขึ้นไปรายงานอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็ลงไปบอกให้ขึ้นมาได้ท่านพระครูกล่าวอนุญาตประเดี๋ยวหนึ่งภิกษุวัยย่างยี่สิบเจ็ด ก็เดินเข่าเข้ามากราบท่านสามครั้งนั่งในที่อันสมควรประคองอัญชลีกราบเรียนว่าพระเดชพระคุณลุงพอดทิกรพอย่างสูงกระผมพระโบเฮียวขอกราบขอบพระคุณที่ท่านอนุญาตให้เขาพบเป็นกรณีพิเศษขอรับแล้วจึงเอามือลงท่านพระครูนึกขำทั้งรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นลดลงไปเกือบครึ่งจึงถามยิ้มยิ้มว่า ไม่ได้เจอกันหลายวันเธอพูดเก่งขึ้นเยอะไปเรียนมาจากใครละ่ะจากพระมหาบุญครึ่งหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองอีกครึ่งหนึ่งขอรับคนถูกชมยิ้มหน้าบานก่อนตอบดีมากแสดงว่าเธอเป็นคนชอบขวนขวายหาความรู้ทั้งจากผู้อื่นและค้นคว้าด้วยตัวเอง เรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องท่านพระครูชมอีกคราวนี้ภิกษุหนุ่มยิ้มแก้มทบปริเพราะปิติอินดีในคำชมนั้นแต่ในด้านการปฏิบัติรู้สึกว่าจะย่อหย่อนลงไปนะมีอย่างที่ไหนพอฉันชมก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสจนลืมกำหนด ดีใจหนอสแสดงว่าจิตยังหวันไหวในโลกกะระทชมอยู่หยกๆยกท่านก็เปลี่ยนเป็นติเสแล้วพระโบเฮียวหุบยิ้มลงทันใดพร้อมต่อว่าต่อขานพระอุปชาแม้ลุงพ่อผมเคยได้ยินคำพงเผยเขาว่าตบหัวแล้วลูดหลังแต่ลุงพ่อเล่นหลูบหลังแล้วตบหัวจนผมตั้งตัวไม่ติดนึกแล้วเชียวว่า จะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วก็มีจริงๆนายสมชายกำลังทำความสะอาดพื้นและจัดข้าวจัดของอยู่ได้ยินการสนทนาตั้งแต่ต้นเลยอมยิ้มไปทำงานไปชายหนุ่มนึกคำในใจดูเอาเถอะเราแซวหลวงพ่อหลวงพ่อกลับไปแก้แค้นเอากับหลวงพี่แล้วนี่หลวงพี่จะไปแก้แค้นใครต่อก็ไม่รู้ชายหนุ่มเฝ้าพวงสงสัย แล้วตอนนี้ตั้งตัวติดหรื อ, อยังจะต้องใช้เวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงพระอุปชา ย, ย่ออีกตั้งแต่รู้ว่าพระโบเฮียวเคยเป็นน้องชายของท่านในอดีตชาติความรู้สึกอยากย่อยาวก็มีมากขึ้นภิกษุหนุ่มไม่ตอบหากตั้งจิตกำหนดตั้งตัวหนอตั้งตัวหนอสักครู่ก็รายงานว่าเอาละครับผมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญพระเดชพระคุณลุงพอสอบอารมณ์ได้เลยครับพระโบเฮียวประชดความจริงท่านไม่ได้มาเพื่อการนี้เรื่องสอบอารมณ์พักไว้ก่อนแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอมีธุระอยากพบฉันเรื่องอะไรคำถามของพระอุปชาทำให้พระโบเฮียวนึกขึ้นได้จึงว่าแม้ผมโม่พูดเรื่องอื่นเสเพลิน เกือบลืมเรื่องสำคัญที่จะมาเรียนถามคือผมอยากทราบว่าหลวงพ่อขาหักแล้วทำไมยังปฏิบัติกิจนิมนต์ได้ผมเป็นห่วงมากแล้วหลวงพ่อไปหาหมอหรือเปล่าครับท่านพระครูจึงต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภิกษุหนุ่มฟังแล้วสรุปแบบยาวๆว่ากรรมเก่าต้องใช้นี้ทั้งนั้นแต่กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมที่ฉันพูดถึงนี้ หม้เฉพาะอากุศลกรรมเท่านั้นนะคนที่สร้างกรรมไว้เมื่อสำนึกได้ก็ต้องยอมรับใช้ยอมรับผิดกรรมเก่านั้นไม่มีอะไรที่จะแก้ได้เพราะมันทำไปแล้วผ่านไปแล้วหน้าที่ของเราคือต้องชดใช้ต้องใช้กรรมนะเราทำบุญเพื่อล้างบาปไม่ได้หรือครับ เช่นเราเคยทำบาปไว้ในอดีตปัจจุบันเราก็ทำบุญลบล้างภิกษุหนุ่มถามอะไรกันบัวเหี่ยวนี่เธอบวชมาก็ตั้งหลายเดือนแล้วนะทำไมถึงถามอะไรเป่นๆอย่างนี้ฉันก็นึกว่าเธอก้าวหน้าไปถึงไหนๆแล้วที่แท้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามกลับ ก็ไม่ก้าวหน้าน่ะสิยังอยู่กับที่ตามเดิมแม้หลวงพ่อครับการปฏิบัติทําให้ได้ผลนั้นมันต้องตั้งหลักให้ดีๆที่ผมไม่ก้าวหน้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับขอเวลาตั้งหลักอีกหน่อยเธอครับผมให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้หลวงพอ่อต้องเสียชื่อในฐานะที่เป็นพระอุปชาของผมตกลงฉันจะยอมเชื่อเธออีกสักครั้ง อีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมได้เหมือนหลวงพ่อเชื่อผมแล้วก็โปรดตอบคำถามผมด้วยว่าเราทำบุญเพื่อล้างบาปได้หรือไม่ดูเหมือนฉันจะเคยพูดเรื่องนี้กับเธอไปแล้วนะแต่เอาเถอะไม่เป็นไรฉันจะอธิบายซ้าอีกก็ได้ว่าเราทำบุญล้างบาปไม่ได้นี่เป็นกฎตายตัวเลยนะบุญก็ไปตามบุญ บาปก็ไปตามบาปเหมือนน้ำกับน้ำมันย่อมเข้ากันไม่ได้ฉันนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องชดใช้กรรมที่ขาวัวขาควายที่ผมมาปฏิบัติกรรมฐานนี่ผมนึกว่าจะล้างบาปได้พระหนุ่มพูดเสียงเศร้าและรู้สึกจิตตกขึ้นมาทันทีอย่าให้จิตตกตั้งสติไว้ ดูฉันเป็นตัวอย่างฉันก็กาลังใช้กรรมอยู่นี่ไงฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ากรรมของฉันนั้นหนักกว่าของเธอหลายเท่านักของเธอน่ะไม่ถึงกับตายแต่ของฉันตายอย่างเขียดเลยละ่ะท่านตั้งใจจะให้คนฟังรู้สึกขำหากพระบูเหียวก็ขำไม่ออกท่านพระครูจึงปลอบอีกว่า ไม่ดีหรือเธอใช้กรรมให้หมดหมดไปเส้นในชาตินี้ดีกว่าไปใช้ในนรกอเวจี v G. ถ้าเธอปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเธอจะไม่ต้องไปเกิดในอเวจี v G. นรกอย่างแน่นอนไฟนรกนั้นท่านว่าร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์หลายเท่านักลุงพอไปเห็นมาหรือครับฉันไม่ตอบดีกว่า เอาไว้ให้เธอรู้เอาเองจากการปฏิบัติแต่ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วเธอไปเปรียบเทียบเอาเองอยากฟังไหมอยากครับพระหนุ่มตอบนายสมชายเองก็เงี่ยหูฟังด้วยความสนใจท่านเจ้าของกุฏิจึงหยิบยกเรื่องราวของพระเทระรูปหนึ่งมาเล่า ว, ว่าในครั้งพุทธกาล พระโลมะสนาขะเทระท่านนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ภายนอกที่จงกรมอากาศขณะนั้นร้อนอบอา้าวเพราะเป็นฤดูร้อนท่านนั่งอยู่นาทีตรงนั้นจนเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้ทั้งสองข้างก็ยังไม่ยอมลุกไปไหนพวกลูกศิษย์ได้มาอาราธนาให้ไปนั่งในที่รม่ม ซึ่งอากาศร้อนน้อยกว่าท่านบอกลูกศิษย์ว่าที่ต้องนั่งณที่นั้นเพราะกลัวความร้อนแล้วนั่งพิจารณาอเวจีนรกอยู่ท่านเคยตกนรกอเวจีมาแล้วหลายชาติจึงเห็นว่าความร้อนของแดดนั้นยังน้อยกว่าความร้อนของอเวจีนรกซึ่งร้อนแรงกว่าหลายร้อยเท่า ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ลุกไปไหนและตั้งใจเจริญกรรมาฐานต่อไปพระโมเหฟังแล้วถึงกับขนลุกจันต้องกำหนดขนลุกหนออยู่ชั่วครู่แล้วจึงบอกพระอุปชาว่าลุงพ่อครับถ้าผมระลึกชาติได้ผมคงรู้ว่าตัวเองเคยตกนรกเอเวจีมาแล้วเช่นกันเพราะแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกเสแล้ว งพอช่วยตรวจสอบได้ไหมครับว่าผมตกนรกอเวจีมากี่ครั้งแล้วเวหลวไหลน่ะบัวเหี่ยวเธอจะอยากรู้ไปทำไมอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและจะไม่คืนกลับมาอีกส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเธอไม่ต้องไปพะวงทั้งอดีตและอนาคตให้มีสติตั้งมั่น อยู่กับปัจจุบันเป็นพอเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้นะครับผมภิกษุวัยย่าง27รับคำหนักแน่นอิ่มข้าวแล้วนายจอยกับพัญญาก็กลับมาที่กุฏิเห็นอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่จึงถามนายขุนทองด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาว่า ลงน่าจะลงมากี่โมงไม่ลงรอกพี่จ่อยขาท่านหักขึ้นขึ้นลงลงจะทำให้หายช้าอ้าวก็พี่บอกแล้วว่าจะเอารถมาเจิมท่านน่าจะรอ ก, ก่อนนายจอยพูดอย่างผิดหวังขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมคุณทองช่วยไปบอกท่านว่าพี่ขออนุญาตขึ้นไปพบข้างบนนะ้าน้องนะนางจุกประหละ่อญาติสามี พี่จะเอาของในถุงนั่นไปถวายหลวงลุงหรือนายคุณทองถามด้วยคิดว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นเงินถูกแล้วพี่ตั้งใจมาถวายท่านเทียวแหละพัญญาในจ่อยตอบงินก็ขึ้นไปได้เลยพี่ขึ้นไปเถอะหนูอนุญาตหนุ่มวัย21สเอ็ดพูดเอาบุญเอาคุณด้วยได้โอกาสเขามั่นใจว่าจะต้องได้ส่วนแบ่งไม่มากก็น้อย